ขอนอบน้อมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ขอกราบหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเชียนกราบขอโอกาสจากพระอาจารย์วันนัชัยแล้วก็เพื่อนสาธมิกเจริญพรพวกเรานะแม่ชีอุบาสกอุบาสิกามีใคร <c oughs> ไม่เคยเจอหลวงพอ่อบ้างโอ้ <c oughs> <c oughs> มีน้อยมากนะ <c oughs> ก็ดีละก็จะได้เล่าเรื่องหลวงพ่อให้ฟังอืมก็อะไรเนาะเขาเรียกว่าตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนจะบวชเนาะก็ได้มีโอกาสมาเหมือนกับมาบริการหลวงพ่อนะเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างเลยต่างๆนานาเหล่านี้อ่ ก็มีโอกาสได้เหมือนกับเวลาที่อยู่กับหลวงพ่อก็ได้มีโอกาสซักถามหลวงพ่อตรงนั้นตรงนี้อะไรต่างๆก็ก็ถามอันหนึ่งเนาะว่าทําไมหลวงพ่อถึงได้บวชห <c oughs> ลวงพ่อก็เล่าให้ฟังว่าสมัยเด็กๆ เ, เนี่ยหลวงพ่อก็เห็นพระเนาะ <c oughs> จับปลาในคลองในหนอง <c oughs> หลวงพ่อบอกว่าวันหนึ่งพรเพลงเพาเพลหลวงพ่อก็คงกลับมาจากนาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าเจอพระนะกำลังจับปลาอยู่ในหนองหลวงพ่อก็นึกอยู่ในใจบอกว่าเนี่ยถ้าหลวงพ่อแบบว่าบวชนะหลวงพ่อจะขอเป็นพระที่ดีตรงเนี้ยก็ก็เป็นสิ่งที่เราก็เหมือนกับว่าเวลาที่ฟังแบบนี้เนาะ เราก็มีกวามรู้สึกว่าเออตอนนั้นก็ตั้งใจจะบวชอยู่นะแต่ว่าในความตั้งใจเนี่ยก็นึกอยู่ในใจว่าถ้าจะบวชเราก็จะบวชไปเรื่อยๆแต่พอเวลาที่หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อบวชแล้วหลวงพ่อตั้งใจจะเป็นพระที่ดีเนี่ยโอ้เรามีความรู้สึกว่าจุดหมายปลายทางของคําว่าบวชไปเรื่อยๆกับจุดหมายปลายทางของคาว่า เป็นพระที่ดีเนี่ยมันต่างกันเลยเนาะคือคล้ายๆว่าหลวงพ่อคำว่าดำริชอบของหลวงพ่อเนี่ยมันเป็นความดำริที่มันเหมือนกับมีจุดหมายปลายทางที่ที่ชัดเจนมันก็ทำให้วันนี้เนี่ยเราก็ได้มาอาศัยล่มเงาของหลวงพ่อเนาะทุกคนตรงนี้ก็ได้มาอาศัยล่มเงาของหลวงพ่อเพราะว่าหลวงพ่อเข้ามาที่นี่ หลวงพ่อก็ตั้งใจว่าหลวงพ่อจะมาทําที่นี่เป็นที่ปฏิบัติธรรมหลวงพ่อก็เคยพูดอยู่หลายๆครั้งนะหลวงพ่อบอกว่าอยากจะให้ที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนป่าอิสิปัตนะมะลึกทายวันในอดีตก็คือเป็นที่ที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยที่เหมือนกันต้องการบรรลุธรรมเนาะสมัยนูน้นจะเป็นฤาษีชีพลยจะเป็นอะไรก็ตามก็เข้าไปอาศัยพื้นที่ตรงนั้นในการบําเพ็ญเพียรกัน ตรงนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อก็ตั้งใจว่าอยากจะให้สุกโตเนี่ยเป็นที่ที่เหมือนเหมือนที่ตรงนั้นหลวงพ่อก็เคยบอกนะใครจะปฏิบัติแบบไหนอะไรยังไงก็เข้ามาใช้ที่นี่ได้หมดเลยนะที่นี่ไม่ได้สงวนสิทธิ์ว่าจะต้องแบบว่ามาปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนอย่างเดียวใครจะมาอาศัยพื้นที่ตรงนี้ปฏิบัติธรรมก็อนุโมทนานะตรงนั้นอันนั้นนั่นคือตรงนี้พอเวลาที่ หลวงพ่อมาอยู่ที่สุขโตต ร, ตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อก็เหมือนกับต้นไม้ใบหญ้าต่างๆที่พวกเราได้อาศัยร่มเงาอยู่วันนี้นะก็เป็นผลงานของหลวงพ่อเมื่อวานเมื่อมันซืนนะตอนที่พวกเราอะไรนะเขาเรียกว่าทามัดเย็นกันเนาะ <laughs> พวกเราก็จะได้เห็นนี่ก็เรียกว่าใบไม้ไม่ไมนะที่มันปลิวมา ตรงนี้การฤดูนี้เป็นฤดูแรงนะก็จะเป็นฤดูที่เหมือนกับจะมีจะมีไฟเนี่ยตลอดเนาะไฟล้อมลอมสุขโตอยู่เนี่ยกำแพงวัดสุขโตมีมีขึ้นในปลายปีสี่พันสองพันห้า้อยสี่สิบห้าจนถึงปีต้นปี 2546นอะอืมใช่ไหมนะน่าจะใช่หรือว่าอืมปี45หรือปี46ต่อปี47นี่แล้วสิบปีมาก็จำไม่ได้แล้วแต่ยังไงก็ตามเนี่ยคือก่อนหน้านั้นตั้งแต่หลงวงพ่อมาอยู่สุกโตตั้งแต่ปีสองพะสอก็เท่าไหรอ่อ่ะสามสิบปีนะต้องเรียกว่าสามสิบปี หลวงพ่อก็จะดับไฟเนาะต้องเรียกว่าต้องคอยดับไฟที่ที่ลามเข้ามาในในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยตลอดเียสามสิบปีต้องเรียกว่าโอ้ยาวนานมากๆนะฮะปีหนึ่งก็ไม่ใช่ไฟเข้าครั้งเดียวนะไฟเข้าหลายๆหลายๆครั้งหลวงพ่อบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งก็เป็นคืนเดินมืดเนาะไฟก็เข้าใช่หอยนะ่างนั้นจริงๆตรงนี้ก็ ไฟที่เข้ามาเนี่ยก็มันก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าจะเข้ามากระทันหันเนาะแต่ว่าก็คือจะเห็นกันตั้งแต่เขาเรียกตั้งแต่ควันมากกไกลๆอย่างเงี้ยก็หลวงพ่อก็จะเคยบอกนะบอกว่าถ้าเห็นควันมาเนี่ยก็ให้เราคอยระวังเลยละอย่างเงี้ยเห็นควันมาทางไหนเนาะอย่างเงี้ยก็เพราะว่าที่นี่บางทีบางทีควันกกไกลๆเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยก็เข้ามาเนาะอย่างนั้น ตรงนี้หลวงพ่อก็บอกว่าก็บวั น, นึงก็หลวงพ่อก็อยู่คนเดียวนะแล้วหลวงพ่อก็ลุยดับไฟลุยดับไฟปรากฏว่าหลวงพ่อก็บอกบอกว่าไฟเข้ามาใช่ไหมหลวงพ่อก็ดับลุยดับพอดับเสร็จปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหลวงพ่อบอกมันมืดมากเลยนะเดินกลับกลับมาที่ที่บริเวณตรงเนี้ยไม่ถูก เพราะว่ามันเหมือนกับว่าคืนเดินมืดใช่ไหมพอมันไม่มีแสงไฟจากจากไฟไหม้เนี่ยก็ไม่รู้เหนือรู้ใต้ละอย่างเงี้ยก็ดึกด้วยหลงวงพ่อทำยังไงหลงวงพ่อก็นอนตรงนั้นแหละหลงวงพ่อจะเป็นคนที่ก็เรียกว่ากินง่ายอยู่ง่ายนะฮะอย่างนั้นกินง่ายอยู่ง่าย หลวงพ่อบอกว่าบางทีสมัยก่อนเนี่ยอากาศหนาวๆอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้มีพวกพวกเครื่องนอนพวกอะไรที่พร้อมแบบนี้นะอย่างสมัยนี้ก็มีญาติโยมเนาะถวายมาพวกเราก็ได้รับอานิสงส์ของญาติโยมต่างๆว่าสมัยก่อนหลวงพ่อบอกว่าตอนที่แบบไฟยังไม่ไหม้เนี่ยก็จะมีใบไม้เราจะเห็นใบไม้ร่วงเยอะๆนะ หลวงพ่อบอกวาวิธีการที่แก้หนาวตรงที่นี่ก็คือกวาดใบไม้มากองรวมกันให้มันเป็นกองสูงๆใหญ่ๆเนาะแล้วก็นอนบนใบไม้แล้วก็เอาใบไม้หม่มหลวงพะว่าตรงเนี้ยนะก็จะเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าอบอุ่นนะอบอุ่นก็นี่นี่ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับคล้ายๆว่าเราก็ได้ เหมือนกับใครๆมันได้ฟังได้ยินได้ฟังนะโอวิถีพระของหลวงพ่อนะเป็นวิถีที่แบบว่าดูธรรมดาธรรมดานะแบบว่าเป็นชาวบ้านมากๆอย่างที่ศาลาหลังนี้ก็เหมือนกันนะศาลาหลังนี้เมื่อก่อนนี้จะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะฮะจะอยู่บนเขาก็จะอยู่ลาวๆซักจะมีพื้นที่ลาวๆถึงไม่เพียร น, นี่หละจงกระทั่งถึงข้างหลังนี่นะ ไม่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้อันนี้ศาลานี้ต่อเติมกันไปสองสาครั้งนะฮะอย่างนั้นหลวงพ่อบอกว่าตอนที่สร้างศาลาหลังนี้เนี่ยหลวงพ่อก็จะแบบว่าลากเสาเนี่ยเสาใหญ่ๆเนี่ยจะลากเสาเนี่ยจากข้างล่างเนี่ยขึ้นไปข้างบนแล้วหลวงพ่อก็จะแบบว่าลากคนเดียวนะจะอาศัยแบบว่าแบบ่าพอเวลาเย็น นะเวลายเย็ยนๆถึงค่าๆอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็จะค่อยๆลากลากเสาเนี้ขึ้นไปคือสุกโตตรงนี้เนี้ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าหลวงพ่อก็ค่อยๆก่อล่างสร้างตัวขึ้นมาแล้วก็คล้ายๆบ้างหลวงพ่อก็อาศัยความเพียรเนาะความเพียรของหลวงพ่อในการที่หลวงพ่อจะค่อยๆแบบว่าทําตรงนั้นขึ้นมาทําตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับ ท่านก็ใช้เลี้ยวแรงของท่านนะอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังว่าในสมัยที่อยู่กับหลวงพ่อเทียนใหม่ๆนะตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นที่มึงเลยที่ป่าพุทธยานจุดที่วัดอยู่เนี่ยกับจุดที่มีน้ำใช้เนี่ยก็จะไกลกันมากถ้าใครวันก่อนนี้ได้ยิน แบบว่าซีดีหลวงพ่อนะที่บอกบอกว่าน้ำเนี่ยน้ำล้างบาดเนี่ยไม่ทิ้งนะใช่ไหมอย่างเนี้อล้างบาดคนนี้ล้างบาดคนนั้นล้างบาดคนนู้นท้ายสุดก็ไปลดน้ำต้นไม้ลดพลิกลดผักอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นนะเป็นสิ่งที่น้ำหายากนะหลวงพ่อว่าต้องเดินไปไกลเนาะต้องเดินไปไกลกว่าจะได้น้าแล้วก็ขากลับมาเนี่ยก็จะต้องเหมือนกับว่า หิ้วน้ำมาใช้นะหลวงพ่อบอกว่าเอ น, น้ําที่หิวมาใช้เนี่ยก็จะหิ้วมาทาั้งเป็นถังด้วยแล้วก็เชี่ยวมาทั้งเป็นกาด้วยนะเอามาก็ <c oughs> เรียกว่าเอามาต้มเอามาอะไรต่างๆนา น, นาเหล่านี้ตัวนั้นก็เป็นสิ่งที่ทําให้หลวงพ่อก็แบบขุด <c oughs> ขุดบ่อน้ําบาดาลขุดบ่อน้ําบาดาล ขุดน้ำบ่อก็จะเรียกน้ำบาดาลก็ไม่ใช่เป็นน้ำบ่อน้ำตื้นอ่ะนะอย่านียขุดใจหลวงพ่อก็แบบว่าจะเป็นคนที่ทุ่มเทมากๆนะฮะหลวงพ่อก็จะขุดนะขุดแบบคงจะลงมือเป็นหลักละ <laughs> กว่าจะขุดลึกลงไปก็น่าจะประมาณสักอาจจะตั้งแต่ ปลายหลังคานี้ถึงตรงนี้นะอย่างเนี้ยก็ก็ต้องใช้ต้องเรียกว่า <c oughs> มี <c oughs> มีได้ยินเสียงว่าประมาณสิสองศอก <c oughs> ก็ประมาณสักหเมตรเลยล้านเนี้ยอย่างงี้ยก็ลึกนะก็เรียกว่าขุดกว่าจะขุดได้นี่ก็คิดว่าไม่ไม่ใช่ง่ายนะแล้วก็การขุดลงไปในดินเนี่ยก็บางทีก็มีการดินถล่มบ้างอะไรบ้างอนะไรต่างๆครั้งหนึ่งหลวงพ่อก็ เหมือนกับว่าขุดลงไปก็โดนดินข้างบนเนี่ยเนาะที่เหมือนกับว่ายังไม่เรียบร้อยนักเนี่ยมันก็หล่นทับหลวงพ่อก็บอกเพื่อนๆ พ, พ, พระด้วยกันนะบอกว่าถ้าเกิดว่าดินมันถล่มแล้วไม่เห็นหลวงพ่อเหมือนกับว่าไม่ไม่ไม่ใช่ดินถลม่มเหมือนกับว่าถ้าวันไหนเนี่ยไม่เห็นหลวงพ่อมาฉันข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกว่า บรรดินมันคงถล่มทับหลวงพ่ออยู่ในบ่อเรียบร้อยไปแล้วนะแล้วก็ไม่ต้องไปบอกที่บ้านด้วยปล่อยเอาไว้อยังนั้นเลยก็ตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่การขุดบ่อก็ไม่ใช่ใช้เวลาสั้นๆนะหลวงพ่อบอกว่าสมัยก่อนนี้เวลาที่ไปเ็าเรียกว่าไปสวดนะไปสวดมนต์ตามบ้านเนี่ยบันดีก็จะมีงานมีอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ ก็บอกว่าจะได้ปัจจัยมาครั้งหนึ่งเนี่ยจะเป็นเลขสลึงห้าสิบนะแล้ว่าบอกว่าก็รวบรวมซื้อปูนเนี่ยดูเหมือนว่าถ้าจาไม่ผิดนี่ไม่ใช่ว่าสวนมนต์ครั้งหนึ่งจะซื้อปูนได้ถุงหนึ่งนะต้องเป็นหลายครั้งอะถึงจะซื้อปูนได้แม้ปูนตอนนั้นจะราคาไม่ถึง เลข10 บ, บาทไม่ถึงนะจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่อะไรเงรี้ยแต่ก็หลวงพ่อบอกว่าโอ้ก็ต้องรบรวมกันก็เวลาที่ทําบ่ออย่างเงี้ยก็ต้องใช้ปูนใช้เรนกต่างๆก็อาศัยเวลายาวนานนะหลวงพ่อก็จะแบบว่ามีก็เรียกว่ามีชีวิตแบบนี้นะ หลวงพ่อจะทําไม่นู่นทําไม่นี่นะขยันต้องเรียกว่าขยันมากๆแล้วก็ทุ่มเทมากๆตรงนี้เป็นสิ่งที่ในมุมหนึ่งนะก็อยากให้พวกเราได้มองเห็นมาจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมไม่ได้ทำให้เราแบบว่าเหมือนกับปลีกตัวหลีกลี่ออกมาไม่สนใจคนอื่นหรืออะไรอยังไงต่างๆนาน า, นานเหล่านี้ไม่ใช่นะอย่างนั้นแต่ว่าเป็นสิ่งที่ถ้าเราดูจากหลวงพ่อเนี่ย หลวงพ่อจะทุ่มเทให้กับก็เรียกว่าให้กับความตั้งใจของหลวงพ่อเนี่ยก็ <c oughs> ไม่อยากว่าหลวงพ่อทุ่มเทให้กับคนอื่นนะ <c oughs> แต่หลวงพ่อก็ทุ่มเทให้กับความตั้งใจความดํำริชอบของหลวงพ่อเนี่ยอย่างเต็มที่ทํานองเดียวกันไอ้การที่หลวงพ่อทุ่มเทความตั้งใจตรงนี้เนี่ยพวกเราเองก็ได้รับอนิสงค์กันทุกๆคนอย่างนี้ ตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าหลวงพ่อก็จะพูดอยู่เสมอๆเนาะเวลาที่เราทําดีเนี่ยก <c oughs> ็ไม่ต้องคิดถึงผลนะของการทําดีว่าใครจะได้รับหรืออะไรยังไงทําดีก็ดีแล้วล่ะใช่ไหมฮะทำดีก็ดีแล้วลแล้วลส่วนผลของการทําดีตรงนั้นน่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันก็เกิดผลแยะไปหมดเลยเหมือนเวลาที่เราเวลาที่เราพูดถึงมันจะมีศัพท์เนาะในทางธรรมที่เรียกว่า มักผลนิพพานอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันเป็นคําที่เขาเรียกว่าต่อเนื่องกันเป็นคําที่เป็นคนละคากันก็จริงนะแต่มันก็เหมือนกับว่าค่าๆว่าเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันไปเองคําว่ามักก็เหมือนกับว่าถ้าเราทําดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวคําว่าผลก็เกิดขึ้นมาเองนิพพานก็ตามมาเองตามมาเป็นลําดับแบบนี้ละอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนคือตรงเนี้ยนะก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับหลวงพ่อเองเนี่ย เรียกว่าหลวงพ่อทําเพื่อคนอื่นหรืออะไรเงี้ยนะก็ไม่ไม่ใช่เลยนะแต่ว่าทั้งชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยก็ก่อประโยชน์นะก่อประโยชน์มากมายต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่ตรงนี้เนี่ยก็อยากจะบอกอยากจะบอกว่าเกือบทั้งหมดนะ <c oughs> ที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยก็เป็นผลงานหลวงพ่อถ้าพวกเราเดินไปในระหว่างที่เดินไป ศาลาฉันตรงข้างหน้านะเราก็จะเห็นหมเห็นต้นไม้ที่อยู่ริมสระที่อยู่ชิดถนนนะเนาะทางด้านทางด้านสระน้ําขวามือจะมีต้นถางนกยูงปลูกเต็มไปหมดนะตรงนั้นนะตรงนั้นก็เป็นผลงานของหลวงพ่อเนาะแต่ว่าทํำนองเดียกันตรงนั้นมันก็น้อยเกินไปนะจะเป็นกอไผ่จะเป็นยันไงต่างๆนาน า, นานเหล่านี้เนี่ยหลวงพ่อเองก็เหมือนกับว่าได้ปลูก นะค่อย ค, oy, ค oy ่อยๆก่อรูปปลูกขึ้นมาถ้าเราสังเกตไผ่ในวัดเราก็จะมีหลายๆนะก็เรียกว่าหลายๆชนิดหลายๆพันธุ์บางพันธุ์ก็ต้นใหญ่บางพันธุ์ก็ต้นเล็กบางพันธก็ใบใหญ่บางพันธุ์ก็ใบเล็กลแร่งตานาหล่าเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อก็สรรหามาในป่าข้างหลังนะในป่าข้างหลังหมายถึงข้างหลังที่หลวงพ่อกาลังนั่งพูดอยู่ตรงนี้นะ ข้างหลังลึกๆเข้าไปจนนู้นจกกนกระทั่งสุดรั้วตรงนู้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเองก็ได้ปลูกต้นไม้ตน้ไนไม่อลไรใหเยอะแยะไปหมดนะฮะอย่างนั้นทำนองเดียวกันทางด้านขวามือนี่ก็จะมีป่ากเก่าอยู่นะป่ากเก่าก็ส่วนหนึ่งส่วนที่ปลูกขึ้นมาใหม่จนกระทั่งเป็นป่าก็อีกส่วนหนึ่งสมัยก่อนพื้นที่ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นี้เรียกว่ามีแต่มีแต่กอไผ่นะฮะเป็นป่าไผ่ใหญ่อันนึง ท่านนึกถึงก็เป็นเวลุวันเลยล่ะในอดีตเลยอย่างเงี้ยก็จําได้ว่าเคยมากับเพื่อนเนาะก็เดินกันมาชมป่าเนี่ยละปรากฏว่ามีเพื่อนคนหนึ่งพลัดพลัดหลงกันหลงอยู่ในป่าเนี่ยป่าไผ่ตรงเนี้ยปรากฏว่ากว่าจะเจอเข้าอีกทีหนึ่งนี้ก็โอ้โหแบบว่าเรียกว่าผ่านไปสี่ห้าชั่วโมงนะ ไผ่เยอะจริงๆนะครับสมัยก่อนนี้ก็เป็นผลงานที่หลวงพ่อก็ได้ปลูกได้ดูแลไว้การปลูกการดูแลตรงนี้นี่หลวงพ่อใช้ความเพียรเยอะมากนะฮะอย่างเมื่อก่อนนี้แบบว่าหลวงพ่อเนี่ยจะเริ่มเป็นคนเริ่มเอาต้นมะพร้าวก็มาปลูกต้นมะพร้าวนี่ไม่ใช่ปลูกง่ายนะบนนี้พอเวลาปลูกมะพร้าวเนี่ย ก็จะเราจะใช้เขาเรียกว่าลูกมะพร้าวทั้งลูกนะที่มีเปลือกแล้วมันก็ขึ้นหน่อใช่ไหมฝังลงไปในดินไอตัวเปลือกที่เหลืออยู่เนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่ามันจะเป็นตัวที่ปลวกเนี่ยชอบกินมากเลยเพราะฉะนั้นนั่นคือพอเวลาที่เราปลูกลงไปเนี่ยคือถ้าเกิดว่าไม่ดูแลดีๆเนี่ยพอปลวกมันกินเปลือกมะพร้าวเนี่ยมันก็จะไปกระทบกับรากด้วยถ้ากระทบกับรากเนี่ยก็โอกาสโตเ้าเนี่ย ก็จะไม่ต้องเรียกว่าจะไม่มีอาจจะแบบว่าพวกเราอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตนะตรงบริเวณแถวแถวห้องน้ำผู้หญิงด้านหน้านะแล้วก็บริเวณแบบว่าทางด้านหอชั้นเนี่ยจะมีต้นมะพร้าวสูงสู ง, ส, งสูงอยู่สมัยก่อนมีมากกว่านี้นะะมีมะพร้าวกะทิก็มีด้วยแต่ตอนหลังถูกตัดไปนะหลวงพ่อปลูกหลวงพ่อปลูกมะพร้าว ประมาณสักน่าจะอยู่ประมาณสักสิบต้นสิบกว่าต้นเนี่ยโอ้บาบ า, บาเรียกว่าเมื่อตอนปีสี่เจ็ดเนี่ยเคยได้มะพร้าวมาประมาณสักร้อยหนอเนาะร้อยร้อยกว่าหนอปรากฏว่าร้อยกว่าหนอ น, อ น, นั้นเนี่ยถึงบันนี้เนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณสักสี่ห้าต้นอะประมาณเหลือเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็สี่หต้นเนี่ย ตั้งแต่ปี25งพสิบเจ็ดจนถึงนี่สิบปีเนี่ยยังไม่เห็นลำต้นเลยะเห็นแต่ใบก็ต้องเรียกว่าโอ้แบบว่าลุงพ่อหลวงพ่อดูดูแลต้นไม้ดูแลอะไรต่างๆนานเหล่าเนี้นะก็แบบว่าดูแลอย่างทุ่มเทจริงๆนะฮะต้องเรียกว่าทุ่มเทจริงๆไม่งั้นต้นไม้เนี่ยไม่ใช่ขึ้นง่ายๆนะสุกโตไม่ใช่พื้นที่ที่ดินดีนะต้องเรียกว่า ดินปลูกต้นไม้ยากมากๆกนะอย่างนั้นก็ในหลายปีเนี่ยหลวงพ่อเองก็ได้เห็นหลวงพ่อเนี่ยได้ได้เพียรปลูกต้นไม้อย่างในปี 2547-2548 เจนี่ยจะเป็นปีที่47นี่ป่าป่าของสุกโตถูกไหม้ไปประมาณสัก200ไร่หลวงพ่อคำเขียนเนี่ยทุกเช้านะฮะแบบว่าเจ ก็เรียกว่าจะหาบต้นไม้เนี่ยหาบต้นไม้เป็นไม้คานนะหาบต้นไม้ใส่ตะกร้าเนี่ยไปปลูกโอ้แบบว่าเรียกว่าทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าฮะอย่างเี้ยแล้วก็บางทีก็ไม่ใช่ว่าหาบเดียวนะฮะบางวันก็สองหาบบางวันก็ทั้งเช้าทั้งเย็นต้องเรียกว่าหลวงพ่อปลูกต้นไม้คนเดียวเนี่ยมากกว่าการที่เราระดมคนมาปลูกเป็นเป็นฤ ด, ดูกาลนะเนาะ ในปีหนึ่งปีหนึ่งเราก็จะร ะ, ะ, ะดมคนมาปลูกหลายๆครั้งนะแต่ผมคิดว่าหลวงพ่อเขียนคนเดียวเนี่ยฮะปลูกมากกว่านะแล้วก็การที่หลวงพ่อปลูกเนี่ยก็จะปลูกแบบเรียกว่าไม่เขาเรียกว่าปลูกปลูก ปลูกจริงๆทําหน้าที่ปลูกจริงๆไม่ได้หวงไม่ได้หวงไม่ได้ห้ามไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอันนี้หลวงพ่อปลูกอันนั้นอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะแต่หลวงพ่อจะจําได้หมดเลยนะฮะว่าหลวงพ่อปลูกอะไรไว้ตรงไหนหลวงพ่อปลูกอะไรไว้ตรงไหนอย่างเงี้ยก็สมัยนั้นก็จะมีก็เรียกว่ามีต้นไม้ที่เราหามาจากข้างนอกนะหลวงพ่อก็จะบอกบบบว่าจันตุ้มหลวงพ่อเอาอันนี้ไปปลูกตรงนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยอะ เสร็จแล้วพอนานๆเข้าหลวงพ่อก็มามาบอกมามาบอกมาคุยให้ฟังบอกว่าเออนี่ไอ้ต้นนั้นที่เอาไปปลูกอ่ะตอนนี้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วนะอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็หลวงพ่อก็จะเหมือนกับว่าคือคือเรื่องคือเรื่องปลูกเรื่องเอาใจใส่นี่เต็มที่นะแต่พอเวลาที่เหมือนกับมีเหตุการณ์ที่ทําให้ต้นไม้พวกนั้นแบบว่า มันมันหายไปนะอย่างรอบๆสํานักงานเนี่ยหลวงพ่อก็ไปเอาต้นไม้ที่หลวงพ่อได้มาจากชวานะเอาใบเอาต้นเตยเตยเตยปา น, นันจากจากชวาจากอินโดนีเซียหลวงพ่อก็ไปอินโดนีเซียนะแล้วก็เอามาปลูกไว้ปรากฏว่าในปีหนึ่งก็มีมีการเหมือนกับ มองเห็นว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยน่าจะมีการจัดแต่งสวนให้มันสวยงามไอ้ต้น <c oughs> ปาหนันต้นเตยนี่ก็ดูมันเกะกะมากเลย <c oughs> ก็ตัดทิ้งซะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือบางทีก็เกิดการเกิดการปรับแต่งสถานที่นะก็หลวงพ่อก็บอกให้ฟังนะบอกว่าเออต้นเตยที่มาจากชวาวาถูกตัดไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าสังเกตดูหลวงพ่อที่เวลาพูดถึงนะพูดถึงหลวงพ่อก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับต้นไม้ต้นนี้หลวงพ่อตัดเออหลวงไม่ต้นไม้ต้นนี้หลวงพ่อปลูกเอาไว้หรืออะไรต่างต่านั้นหลวงพ่อไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของนะฮะอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรไม่ได้มีความรู้สึกว่าโกรธคนมาตัดไม่ได้อะไรอย่า ง, งต่างๆนาน า, นานหล่านี่ mm hmm. ก็หลวงพ่อก็จะแบบว่าทำนะ mm hmm. ก็เรียกว่าทำให้เต็มที่ <laughs> ทำให้เต็มที่แต่ส่วนผลจะออกมาเป็นยังไงก็ปล่อยวางไปเลย <laughs> ตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับเราก็มองเห็นหก็เรียกว่า ม, มองเห็นภาพเนาะมองเห็นภาพของหลวงพ่อเนี่ยเวลาที่หลวงพ่อบบว่า ดูแลพวกเราเนาะดูแลพวกเราเวลาที่หลวงพ่อสร้างพื้นที่นี้ขึ้นมาหรือไงต่างๆนานาเหนนี้หลวงพ่อไม่ได้มีความรู้สึกว่าตรงนี้หลวงพ่อเป็นเจ้าของหลวงพ่อเป็นอะไรยังไงต่างๆเป็นผู้สร้างหลวงพ่อเป็นอะไรต่างๆแต่หลวงพ่อก็คือทำเนาะสร้างเหตุเนาะสร้างเหตุให้เต็มที่แต่ส่วนผลจะเป็นยังไงก็ก็เรียกว่าปล่อยวางไปเลยตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ เรียกว่าได้มองเห็นนะฮะได้มองเห็นวิถีวิธีของหลวงพ่อวิถีธรรมเนอะหลวงพ่อสอนทำพวกเราเนาะแล้วหลวงพ่อก็ได้มีวิถีที่เราได้เห็นผ่านผ่า น, านก็เรียกว่าผ่านสิ่งต่างๆตรงเนี้ยก็ก็เรียกว่าเราก็คําว่าทําให้ดูอยู่ให้เห็นเนี่ย มันก็เป็นสิ่งที่ก็น่าคิดตรงนี้ว่าจริงๆแล้วทำให้ดูอยู่ให้เห็นตรงนี้เนี่ยเราเราจะได้อะไรจากการที่เราได้เหมือนกับได้เห็นหลวงพ่อทำได้เห็นหลวงพ่ออยู่กันต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยในโดยส่วนตัวเองก็มองว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นผลของการปฏิบัติธรรมเนาะหลวงพ่อสอนพวกเราเนี่ยเนาะสอนเรื่องความรู้สึกตัวตรงนเนี่ยเนาะ หลวงพ่อก็บอกบอกว่าความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นตั้งแต่เบื้องต้นเนาะไปจนท่ามกลางจนถึงที่สุดเนาะหลวงพ่อก็เป็นผลของการปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อสอนสอนพวกเราพอหลวงพ่อก็บอกเสมอๆนะสิ่งที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อสอนก็คือสิ่งที่หลวงพ่อทำเนาะถ้าพวกเราทำแบบแบบที่หลวงพ่อสอนเนี่ยเดี๋ยวพวกเราก็จะรู้จะเห็นเหมือนกันแต่ว่าที่มากกว่านั้นก็คือจริงๆแล้วไอ้การรู้กันเห็นตรงนี้เนี่ยมันก็ มันก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวเนาะมันเหมือนกับหลวงพ่อเนี่ยเหมือนกับปฏิบัติธรรมหลวงพ่อก็มีธรรมเนาะใช่ไหมอย่างนั้นหลวงพ่อพ่อมีธรรมหลวงพ่อก็จะใช้ธรรมตรงเนี้ยก็น่าสนใจว่านั่นคือผลเนาะผลที่เราพวกเราเองเนี่ยทุกวันนี้พวกเราก็รับอานิสงส์ตรงนั้นถ้าพวกเราปฏิบัติธรรมตามตา ม, ตามที่หลวงพ่อบอกเนาะอย่างเนี้ย พวกเราก็จะมีผลเกิดขึ้นมาเองแล้วก็ผลตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เอือเ้อเฟื้อเผือแผ่ไปถึงคนอื่นเองสิ่งที่เด่นที่สุดเลยเนี่ยในในส่วนที่ก็ไม่ไม่เชิงเด่นที่สุดแนะ้วก็เด่นไปทั้งหมดนะแต่ก็คือเวลาที่เรามองเห็นหลวงพ่อเนี่ยหมายถึงว่าในตัวหลวงพ่อเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งนะที่ที่บาวบา้านเรียกว่า คิดว่าทุกคนที่เคยเจอหลวงพ่อเนี่ยก็จะเห็นเหมือนเหมือนกันก็คือเมตตาจิตเนาะเมตตาจิตของหลวงพ่อเนี่ยเยอะมากๆอย่างเงี้ยคือมันมันเรียกว่ามันอยู่ในทุกอนูอยู่ในทุกอนูครั้งหนึงหลวงพ่อเองก็พูดให้ฟังบอกว่าหลวงพ่อเดินผ่านน้ําเนาะหลวงพ่อก็เห็นงูเขียวเนี่ยมันกําลังกินกบหลวงพ่อบอกว่า จะทํำยังไงงูเขียวใช่ไหมกําลังกินกบใช่ไหมก็ในมุมหนึ่งก็คือกบก็กําลังถูกงูเขียวเนี่ยมันทําร้ายเนาะใช่ไหมเราเห็นคนที่ถูกทําร้ายเนี่ยเราไม่ช่วยได้ไหมเนาะอย่างนี้นหลวงพ่อบอกว่าไม่ช่วยก็ไม่ได้นะแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยแบบว่างูเขียวมันกําลังกินกบมันก็มันก็เป็นวัตถจักของมันนะมันก็ต้องหาอาหารเป็นปกติ จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพอเวลาเราเดินผ่านไปเราเห็นอย่างนี้เนี่ยในความเป็นพระเนี่ยเราจะเบียดเบียนงูเขียวไหมแม่ให้งูเขียวมันกินกบหรือเปล่าหรือตำนาเดียวกันเนี่ยเอ๊ะเราก็จะทาเพิกเฉยเห็นคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยแล้วเราไม่ช่วยได้ยังไงหลว่าทำไงฮะหลว่าจะตัดสินใจยังไงเป็นพวกเราเราจะตัดสินใจยังไง หลวงพ่อก็ทํำด้านที่ของหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อก็บอกว่าก็ทําเสียงขึ้นมาเสียงหนึ่งจะเป็นเสียงจําไม่ได้ว่าหลวงพ่อทําเสียงอะไรยังไงแต่เหมือนเหมือนกับว่าคล้ายๆว่าการทําเสียงนั้นอะ่ะมันก็อาจจะทําให้ถ้าเกิดงูมันตกใจงูมันก็จะปล่อยงูมันก็จะปล่อยกบใช่ไหมอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่แบบว่างูปล่อยกบกบก็ปลอดภัย แต่ถ้าเกิดว่างูมันไม่ปล่อยกบนั่นก็เป็นเรื่องเป็นกรรมของของกบของเขียดที่ถูกงูกินหลวงพ่อก็ได้ทำหน้าที่ของหลวงพ่อแล้วอะไรเงี้ยตรงนี้ฮะก็เราก็จะมองเห็นนะว่าคืออย่างอย่างเรื่องความเมตตาเนาะที่หลวงพ่อมีเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ก็เรียกว่าจะเป็นเรื่องที่หลวงพ่อแบบนึกนึกเอานะไม่ใช่บ้านนึกนึกเอาเฉย ต่ว่าหลวงพ่อก็บอกว่าแม้กระทั่งพวกเม็ดดินเม็ดทรายเรต่างตนาน า, นานเหล่านี้เนี่ยหลวงพ่อเองก็มีความรู้สึกว่าก็รักนะหลวงพ่อก็รักแต่รักในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่ารักและอยากได้มาเป็นของตัวเองนะหรือไม่ได้รักในเชิงพิศวาสนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคำว่าความรักของหลวงพ่อนี่ก็คือเหมือนกับว่ามีความเป็นมิตรเป็นเพื่อนเนาะเหมือนอย่างที่พวกเราเหมือนกับว่าเวลาที่พวกเรา แผ่เมตตากันเนี่ยใช่ไหมอย่างเนี้ครับแบบสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์จริงๆคนหลวงพ่อไม่ใช่เฉพาะสัตว์นะแต่หมายถึงวัตถุสิ่งของอะไรต่า ง, า ง, างๆนานาเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเพื่อนทุกข์ด้วยกันเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างนี้ยคือตรงเนี้ยไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่าจะทนทุกข์ไปได้นะจะเป็นเสาจะเป็นหินจะเป็นไงก็ตามเนี่ยท้ายสุดเนี่ยมันก็ต้องเสื่อมสภาพไปสลายไปเนอย่างนั้น เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดเลยนั่นก็คือตรงนี้พอเวลาที่แบบผู้มีธรรมเหมือนอย่างหลวงพ่อเนี่ยเวลาที่พอมีธรรมปุ๊บเนี่ยไม่ได้เห็นรอบๆข้างเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเขานะแต่ว่าเห็นทั้งหมดเนี่ยเป็นเพื่อนทุกนั่นพอเห็นทั้งหมดเป็นเพื่อนทุกเนี่ยไอการที่จะมีเมตตากับตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากในจิตใจปรเกิดขึ้นมาในจิตใจเนี่ยมันก็แผ่ออกมาเนาะ เป็นหมายถึงว่าเป็นก็เรียกว่าเป็นลังสีเนาะรอบๆตัวหลวงพ่อถ้าพวกเรานึกถึงนะเพวกเราเองเนี่ยเคยแผ่ความอไมหิตไหม <c ười> เคยทำสายตาดุดใส่คนอื่นไหมอะไรเงี้ย <c ười> เคยทำท่าทางขึงขังให้คนอื่นแบบว่าห <c ười> วาดกลัวกันไหมอะไรเงี้ยเนาะอย่างนั้นคือตรงเนี้ยนะก็ชวนกันนะฮะชวนกันเดี๋ยวพวกเราก็จะได้กลับพระ แ ผ, แผ่เมตตากันเนี่ยคือตรงเนี้ยคาว่าแผ่เมตตาเนี่ยให้ก็ให้พวกเราได้เติมทำก็ไปในตัวนะทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยแล้วก็การที่เราเติมทำก็ไปเนี่ยมันก็จะช่วยให้อหลังสีเอามาหิด ท, ที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันลดสภาพลงไปแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยผลของการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่พวกเรามีกันนะที่พวกเราเพียรกันอยู่ตรงนี้ที่พวกเราเพียรอยู่กับลมหนาวบ้างอะไรบ้างกันตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้พวกเราเนี่ยได้เหมือนกับว่า อยู่กับสังคมนี้ยังไม่ใช่ว่าปลีกตัวปลีกวิเวกแต่ว่าพวกเราเนี่ยอยู่กับสังคมนี้อย่างกลมกลืนแล้วก็กเขาเรียกว่าเมตตาธรรมที่มีอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยก็จะเผื่อแผ่ไปให้กับคนอื่นในสังคมให้เหมือนกับว่าเป็นสังคมที่ร่มเย็นเป็นสังคมที่มีนิพพานอยู่ในนั้นเนาะก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยก็ได้เพียรเพื่อที่จะได้ทำสิ่งนี้แล้วก็พวกเราจะได้ทาสิ่งนี้อย่างที่เขาเรียกว่า ไม่ได้ลำบากไม่ได้หนักใจไม่ได้อะไรยังไงอย่างที่เล่าให้ฟังเนาะหลวงพ่อก็ทำเป็นปกติของหลวงพ่อมากแล้วก็สิ่งที่ทำตรงนั้นเนี่ยก็มีผลตกมาถึงเราแล้วก็คิดว่าจะมีผลตกไปอีกยาวนานมากๆแล้วพวกเราก็กลับพระพร้อมกัน